นิวรเ น, นี่ยนะเครื่องกลางกัน้นจิตที่เป็นไปกับบาปอากุศลเวลาอากุศลแลจิตจะเกิดเนี่ยนะอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยขันท่านั่นแหละเกิดการมาันท่านิวรโดยมากอาศัยรูปขันพยาปาท่านิวรโดยมากอาศัยเวทนาขันเนี่ยนะเพราะทุกขเวทนาใช่ไหมจึงเกิดโทสะโดยมากเพราะฉะนั้นพยาปาท่านิวรโดยมากอาศัยเวทนาขันเกิด นะส่วนทีนมิธะนี่ก็ขันทั้งหมดนั่นแหละเกิดได้หมดเลยอุทธะจากักุกุจักก็เกี่ยวกับขันเหล่านี้โดยเฉพาะสังขารขันก่อให้เกิดกุกุจักได้มากเพราะเจตนาเป็นเหตุทุศีลทั้งหลายอยู่ที่สังขารขันเพราะฉะนั้นสังขารขันก็จะเดือดร้อนใจที่ในบาปที่ทําไปแล้วเดือดร้อนใจในกุศลที่ยังไม่ได้ทําวิจิกิจชาโดยมากก็สงสยัยเอ้สงสัยวิ ญ, ญญาณขันใช่ไหม ตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันไม่เกิดหรือมันเกิดเอถ้ามันเกิดมันจะเกิดเป็นอะไรนะสงสัยไหมคุณโยชเลิมก็มีบ้างนะถ้าวิจิกิจชามันก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละนะคืออันนี้มีจริงพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีจริงไอความคิดอย่างนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นถ้านิวรณ์ทั้งห้ามากางกั้นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่เจริญกุศล น, น, น, นะ ถ้าตันห า, ายาหกเนี่ยนะ 6, ถ้าจะติดติดที่ไหนก็รูปรูปประขันเนี่ยเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะก็เพลิดเพลินในรูปประขันส่วนธรรมะก็คือขันที่เหลือรูปประขันด้วยขันขันที่เหลือด้วยเพราะฉะนั้นเวลาตันหาจะเกิดก็อาศัยขันห้าอีกนั่นแหละ ทีนี้ถ้าอนุสัยเกิดขึ้นนะก็ขันห้านั่นแหละถ้าขันห้าเหล่านั้นเป็นปิยรูปสาตรูปการมาราคานุสัยก็เกิดถ้าขันห้าเป็นอนปิยรูปอสาตรูปพยาบาทก็เกิดพยาปฏิฆาอนุสัยก็เกิดถ้าขันห้าเป็นปียรูปสาธรูปมานานุสัยก็เกิดสุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องฌานภวะราคานุสัยก็เกิดทั้งห้านี่อวิชานุสัยทิฏฐานุสัยก็ ก็อาศัยขันทั้งห้านั่นแหละเกิดฉั้นอนุสัยคือบาปอากุศลทั้งหลายถ้าจะเกิดก็อาศัยขันห้าถ้าจะปฏิบัติผิดนะปฏิบัติผิดที่ไหนก็ที่ขันห้าอีกนั่นแหละถ้าจ ะ, สะแสวงหาสแสวงหาอะไรก็สแสวงหาขันห้าเนี่ยนะถ้าความผิดเนี่ยนะถ้าจะผิดผิดที่ไหนก็ผิดที่ขันห้าแต่จริงๆแล้วขันห้าในฐานะเป็น ปริญญาธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรรอบรู้เนี่ยนะเมื่อรอบรู้แล้วจะรู้ว่าขันทั้งห้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งบาปและอกุศลทั้งหมดอันนี้ยกตัวอย่างหนึ 10, ่งถึงสิบเฉยๆนะมันยังมีอีกมากกว่านั้นนะแต่ว่าพอก่อนนะนะยกว่าบาปอากุศลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยขันห้านั้นไม่ธรรมดามากเหลือเกินนะแต่จะยกตัวอย่างเฉพาะ นิวรณ์ก่อนในนิวรณบัพพะท่านขึ้นต้นบับพพาแรกคือนิวรณ์บัพพะแต่ก่อนที่จะแสดงนิวร์บัพพนะรูปประขันเราก็ถือว่าเรียนโดยละเอียดพอสมควรในกายานุปัสนา่กายานุปัสนาอธิบายรูปประขันเป็นหลักเวทนานุปัสนาก็อธิบายเวทนาขันส่วนจิ ต, ตานุปัสนาก็อธิบาย วิญญาณขันน่ น, นะก็ถือว่ารอบรู้ขันห้ามาสามขัน น, นนะพอนึกนึกออกบ้างอะนะยังไงสอนรูปเวทนาวิญญาณหรือจิตเนี่ยนะอันไหนชัดชัดกับเพื่อนหน่อยอ ค, คือเข้าใจกับเพื่อนนะเอามาเจริญได้เลยเอามาคร่ครวนเห็นชัดเลยนะ อ, อ๋อเป็นเวทนานะมเจ็บจริงจริงเนาะ สุกก็สุกจริ ง, รงๆหัวเราะก็จริงอ่ะมันก็เวทนาะนะสะดวกด้วยนะมีสาเองนะจำไม่ยากอ๋อคือ a อไออเนี่ยคือวิธีเข้าไปพิจารณาอ่ะนะอันนั้นคือหลักการพิจารณาหรือหลักการวิจัยที่พระพุทธเจ้าให้อ่ะนะเช่นเข้าไปเห็นว่าเวทนาทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเหมือนกับลูกศรเป็นฝีเป็นต้น่ะนะการเข้าไปใคร่ครวญ เวทนาแบบนั้นอ่ะคือการวิจัยตามที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งถ้าวิจัยเวทนาอย่างถูกต้องก็จะละหนึ่งถึงสิบนี้ได้เนี่ยนะละไอไอบาปอากุศลหนึ่งถึงสิบหรือพูดอีกสรุปรวมๆ ว, ว่าผู้ที่เข้าไปรอบรู้ในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะนะถ้ารอบรู้ถูกต้องจริงต้องละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะละ มานะละอวิชาละตันหาละโอฆานิวอนตันหาบาปอากุศลทั้งหลายต้องละได้ถ้าพิจารณาอุปาทานขันห้าอย่างถูกต้อง น, นนะซึ่งการรอบรู้ขันห้าพร้อมทั้งปัจใจเรียกว่ายาตะปริญญาใช่การเข้าไปใไข้ครวนขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีพวกนี้เป็น เตรณะปริญญาทีนี้ถ้าพิจารณาถูกจริงจริงอ่ะจะละกิเลสเหล่านี้ได้เนี่ยนะจะละกิเลสเหล่านี้เรียกว่าปหานะปริญญาเพราะฉะนั้นบัพพาที่จะกล่าวต่อไปก็คือเน้นปหาแตประธรรมเป็นธรรมที่ควรละเมื่อบุคคลเข้าไปเจริญไครครวนขันห้าที่ผ่านมาดีก็จะละบาปอากุศลเหล่านี้ได้ถ้าพิจารณามาไม่ดีอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดทํายังไงล่ะถ้าการมาฉันทะเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือโลภเกิดขึ้นทํายังไงอ้าวรู้ว่ามันเกิดขึ้นน่นรู้มันเฉยเฉยหรือระวังกันบอกถ้ารู้เฉยเฉยก็เหมือนกับคำที่ว่าถ้าไฟไหม้บ้านก็รู้ว่าไฟไหม้บ้านนะแล้วถ้ารู้ว่าไฟไหม้บ้านแล้วทำยังไงก็รีบดับเลยนะ ท่ น, นี้พ อ, องษ์บอกว่าไอ้กิเลส ท, ที่มันเกิดพอองษ์บอกว่าไ ม, ไม่ไม่บ้านนะมันไม่ศีรษะอย่างนั้นเอพราะศีรษะคือปัญญานี่ดับเลยทำไมทุกศาสนาแจงมาละเอียดแต่สมุทัยบอกไว้ว่าตัวอุทธรรมได้แก่ทันทาลแล้วพอมาถึงดูตัวกิเลส ท, ทั้งหลายนี่จะเป็นตัวตองละทั้งนั้นหนึ่งกิเลส คำว่าสมุทัยเนี่ยนะมันถ้ากล่าวตามที่เขาเรียนกันในยะมะกะก็แบ่งออกเป็นสองในสัจจะยะมะกากเนี่ยนะคือคําว่าสมุทยัยคือสมุทัยเฉยๆกับสมุทัยยสัตร์คำว่าสมุทยัยยศาสตร์จะหมายถึงโลภะเนี่ยนะแต่คําว่าสมุทยัยเน้นไปที่กิเลส ทุกชนิดอกุศละจิตทุกอย่างเนี่ยนะเจตนาโลกิยะเจตนาเนี่ยนะโลกิยะเจตนา17พวกนี้ทั้งหมดนี่นับเนื่องในสมุทัยเนี่ยนะคือเหตุให้เกิดแต่ตัวที่เป็นสมุทยสัจจะจริงๆก็คือตัว โลภะเนี่ยนะแต่ว่าทั้งคู่เลยนะก็นับเป็นกลุ่มประเภทประหาะเหมือนกันเป็นธรรมะที่จะต้องต้องละคำว่าละนี่บางอย่างละโดยแต่ทังฆ่าประหารบางอย่างละโดยวิขัมพนะประหารบางอย่างละโดยตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ว่ายัง ที่ว่ายังไม่จบกว่ากิเลสตัวอื่นยังไม่ได้พูดถึงูไม่ใช่ก็คือกิเลสที่มีอยู่นั่นแหละมาขยายให้มันกว้างขวางขึ้นไปอีกเช่นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะขยายเป็นทิฐิสขยายเป็นสกายยะทิฐิี่อย่างเงี้ยนะมัิยก็ยังไม่มีอยริกานตตปะอนั้นก็ยังไม่มีก็อยู่ในสังโยชน์เป็นต้นที่ยังไม่ได้เอามากล่าวเลยอันนี้พอเป็นตัวอย่างพอเป็นตัวอย่าง เจนานาร์ซึ่งไอการแสดงแบบพิสดารทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะโดยมากจะอยู่ในอภิธรรมซึ่งผู้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนมากผู้ฟังก็ต้องมีเวลาฟังมากผู้แสดงก็ต้องมีเวลามากที่ฟังเรียนยอติดต่อกันแต่ถ้าเรียนแบบพระสูตรจะไม่เอามาทั้งหมดสิ้นเชิงเอามาพอเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเอามาพอเป็นตัวอย่างเอ่อเจนนาน ปหาตปะธรรมแต่เน้นที่ปริญญาธรรมเนี่ยนะการแสดงธรรมะเนี่ยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรูอ้อ่ะย้อนอีกครั้งหนึ่งคือตรัสรู้โดยเป็นปริญญาเนี่ยนะตรัสรู้บางอย่างโดยประหานาะตรัสรู้บางอย่างโดยการทําให้แจ้งสัจชิการพภะตรัสรู้บางอย่างโดยภาวนา ซึ่งว่าทั้งสี่ประการเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กันอย่างชนิดที่เรียกว่าตัดกันไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าตัวภาวนานเน้นที่ไหนเน้นที่มรคมรคเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานคือสัจชิกาตปธรรมเป็นอารมณ์นิพพานคือการสงบประงับจาก สังขารทั้งมวลเนี่ยนะนิพานคือความสงบระงับจากสังขารทั้งมวลแต่ที่จะแทงตลอดความสงบระงับอันนั้นได้ก็รบรู้สังขารบางอย่างละสังขารบางอย่างจึงจะแทงตลอดนิพานได้โดยอาศัยข้อปฏิบัติเนี่ยนะซึ่งธรรมะเหล่านี้จะต้องสัมพันธ์กันอย่างอ่สัมพันธ์กันทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นปริ ญ, ญยญาธรรมคืออะไร คือรูปเนี่ยนะเวลาประหาตประธรรมคือกิเลสจะเกิดเนี่ยนะเกิดอาศัยอะไรอาศัยรูปเนี่ยนะถ้าประสงค์จะสงบระงับเนี่ยนะสงบระงับอะไรทั้งรูปทั้งกิเลสนั่นแหละโดยอาศัยข้อปฏิบัติคือมักเนี่ยนะถ้าว่าให้ตรงแล้วการกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ก็พอบางทีก็พอไม่จำเป็นต้องกล่าวทั้งหมดสำหรับผู้มีปัญญานะไม่ต้องเน้นทั้งสี่คำเหล่านี้เลยเอนะอย่างเช่นท่านท่านเน้นอยู่สองคำเพื่อพุทธพจน์ที่ว่าทั้งเมื่อก่อนกับบัดนี้เราแสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนะทุกข์คืออะไรปริญญาธรรมความดับทุกข์คือ สัจจิกาตธพัมสัจจิกาตาปะธรรมเนี่ยนะแสดงสองอย่างบางแห่งแสดงเพิ่มอีกเป็นสามอย่างาว่าดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละเราละแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าอ่านะโดยที่ไม่บอกสัจจิกาตาะปะธรรมนี่ยนะก็แต่บางแห่งเนี่ยนะพิสดารเลยใช่ไหมอย่างธรรมมาจัก ทุกสมุทยนิโรธมักทุกคืออะไรสมุทยคืออะไรมักคืออะไรนิโรธคืออะไรแล้วบอกว่าแม่ทุกเนี่ยกิดอย่างนี้นะสมุทยกิดอย่างนี้นิโรธกิดอย่างนี้มักกิดอย่างนี้แล้วกิดเรานี่เราทำเราทำเสร็จแล้วนะเนี่ยนะพอเราทำกิดเหล่านี้เสร็จเราจึงเป็นพระพุทธเจ้านะแสดงพิสดารเลยใช่ไหมอย่างนธรรมจักนะงั้นก็ ถามว่าที่แสดงหลากหลายแบบนั้นเพราะอะไรเพราะผู้ฟังพระพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพื่อประสงค์จะโอ้อวดแต่ประสงค์เพื่ออะไรก็ปณิธานเดิมใช่ไหมว่าเราตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยนั้นผู้อื่นบางคนเนี่ยไม่จาเป็นต้องกล่าวให้ย่นเยอะพยัญชนะมากมีประโยชน์อะไรนะนของเราเป็นยังนง้นหม พยันชนะน้อยๆจะไปรู้อะไรอะไรแบบ น, น, น, นี้อันนี้ฟังเข้ากอดนะนะยังไม่ได้ลงเนื้อหาอะไรนะฟังเข้าโครงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้มีความจำเป็นมากในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะลักษณะที่กล่าวไปเป็นลักษณะโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ที่มันลอนที่เป็น ท, ทำม น, นุัส์ศาสนา งงงที่วัดองค์ทำที่จะเอามาทําที่ทจะมาเจริญปาสนานี่นะเช่นเริ่มต้นขึ้นด้วยนิวรณ์ก่อนนี้เจนาเนหตุผลอะไรถ้าบอกว่าบรรดากิเลสทั้งหมดนี่นะก็มีความสําคัญนะทำไมนิวรณ์สำคัญ ท, ที่สุดได้ยังไงเคือคือสูตรนี่นะจบเนี่ยบรรลุประมาณหนึ่งหมนนื่นในในในมหาสติประฐานสูตรหรือสติประฐานสูตร เวลาพระพุทธเจ้าแสดงจบบรรลุ ป, ประมาณ1 0,000 เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ฟังตรงนั้นน่ะเป็นผู้กําหนดให้พระพุทธเจ้าแสดงอะไรเนี่ยนะซึ่งบาปอกุศลอย่างอื่นก็วินิจฉัยหรือหรือพิจารณาแบบเดียวกันกับนิวรณ์ห้นั่นแหละนั่นนะแสดงว่าผู้ที่บรรลุด้วยธรรมานุปัสสนานี้ก็หมายความว่าผู้นั้นบรรลุในอาอริยสัจข้อที่2ถูกไหมครับ คืออริยสัจสี่ก็ต้องต้องบรรลุทั้งสี่ข้อนั่นแหละตหลหแต่การแสดงเนี่ยนะใช้คำว่านิวรเป็นหลักซึ่งในบรรดาอากุศลเนี่ยนะจะแสดงโดยโอฆะโยคะคันธาอาสวะอนุัยสังโย์กิเลสเนี่ยยกอันใดอันหนึ่งมาอย่างใดก็ได้จริงๆก็คือสิ่งเดียวแต่หลากหลายโดยวิธีแสดงเนี่ยนะที่เรียกว่าเทสนาวิราชอย่างหนึ่งนะเทศนาวิราชก็คือยักย้ายเทศนาได้ ต า, ตามความต้องการของพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอัธยาศัยของเวนัยสัตว์เฉพาะที่ขึ้นด้วยนิวร์ห้าเนี่ยนะดีกาบอกเลยว่าอัธยาศัยของเวนัยสัตว์เนี่ยนะเพราะอัธยาศัยของเวนัยสัตว์คือผู้ฟังสูตรนี้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นผู้กำหนดว่าต้องใช้แบบนี้นะ แล้วบอกว่ายาทั้งหลายที่ปรุงขึ้นเนี่ยนะเอาคนไข้เป็นหลักไยที่ที่ปรุงต้องลดต้องเพิ่มนี่ก็เพราะคนไข้นี่แหละธรรมะก็เหมือนกันธรรมะซึ่งอุปมาเหมือนกับเป็นเป็นยาซึ่งเป็นธรรมโอสถนั้นปรุงตามตามโรคคืออัธยาศัยของผู้ฟังเหล่านั้นเป็นเป็นหลักเนี่ยนะในหน้าหกนะว่า นิวรบัพระธรรมโนปัสนาเนี่ยนะกล่าวว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือนิวรห้าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือนิวรห้าอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมะวินัยนี้ เมื่อการมฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมฉันทะมีอยู่ณภายในจิตเมื่อการมฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งการมฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย กามฉันทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะตอนแรกกล่าวถึงเมื่อการมฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมาฉันทะมีอยู่ณภายในจิตเนี่ยนะตรงนี้สำหรับผู้ที่เรียนจิตตานุปัสสนามาแล้วนี่ก็ ไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าไอ้การมาฉันท่าเนี่ยเกิดร่วมกับจิตประเภทไหนในบรรดาจิตสิบหเกิดอยู่ร่วมกับจิตที่มีราคะอย่างเดียวเนี่ยนะชื่วสราคะจิตเนี่ยนะจิตมีราคะถ้าการมฉันท่ไม่มีอยู่นาภายในจิตนะจิตอื่นๆต่างจากนั้นอนะ่ะเป็นจิตที่ไม่มีราคาเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าการมาฉันท่าที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไง ในฐานะคนรอบรู้การมาฉันทานี่ก็ต้องรู้นะซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปนะนะแต่ทีนี้กล่าวถึงการพิจารณาการมาฉันทานี่นะไม่ใช่ว่าเออการมฉันทะมีอยู่เกิดขึ้นแล้วก็รู้มันเท่านั้นอันนี้ไม่พอนะนะต้องรู้5้าหประการเนี่ยนะอย่างน้อย 5, 5้าหบรรทัดเนี่ยต้องจําให้ได้นะนะต้องต้องเข้าใจเลยนะ เมื่อมีก็รู้ชัดว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ชัดว่าไม่มีทีนี้ไอคำว่าไม่มีเนี่ยไม่มีเพราะอะไร น, นะการมาฉันท้าที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้ยังไงที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ยังไงนะที่ละได้แล้วเนี่ยเด็ดขาดที่ไหนนะอันนั้นก็เป็นหัวข้อที่ที่น่าน่าเอาไปคร่ครวนเนี่ยนะน่าเอาไปค้นคว้าเอาไปทบทวนไปค้นคิดต่อไป แต่ว่าจริงในอันนตกถกาก็อธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อโลกชนมีอยู่ภายในจิตทเมื่อโลภะมีอยู่เมื่อเกิดขึ้นก็รู้ชัดโลภะอันนั้นไม่ใช่ดูตัวจิตเน้นที่ตัวโลภะเลยเจทถ้าเป็นจิตตาอนุปัสนาเน้นที่ตัวจิตตรงนี้เน้นที่ตัวโลภะเนี่ยนะเจมทอนเน้นเจตสิก กามชันทะไม่มีอยู่ภายในจิตก็รู้ก็รู้ชัดด้วยเจนพนตัวนี้ก็ม า, กาตัวจิตดีครับไม่รู้ชัดนะตัวการมชันทะที่ไม่มีอยู่ในจิตนั้นการมชันทะไม่มีอยู่ในจิตนั้นเจตสิกไม่มีอยู่ในจิตนั้นก็ขีดประเภทนี้ก็มีเยอะแยะครับก็เยอะแต่ทีนี้คาว่าไม่มีอยู่เนี่ยมาจากคาว่าอสันตังนั่นนะอะสัญตังตัวนี้ ท่านบอกว่าไม่มีอยู่โดยการไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่เพราะละได้แล้ว น, นะคือแบ่งเป็นสองอย่าง น, นะคือจิตที่ไม่มีการมาฉันทะหรือว่าการมาฉันทะตัวนี้ไม่เกิดในจิตไหนมัง่งอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอยู่เพราะละมันได้ล้นะเพราะกําจัดมันเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้อ่านทับบาลีให้ให้ผ่านไปก่อน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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อถีณมิท h a มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิท h a มีอยู่ณภายในจิตเมื่อถีณมิท h a ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิ tha ไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งถีนมิท h a ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยทีนมิทะาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนี่วันที่3ผ่านไปทีนี้นที่4นะว่าเมื่ออุทจักกุกกุจจะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะมีอยู่ณภายในจิต เมื่ออุทจักกุกกุจจะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะไม่มีอยู่ณภายในจิตอันึ่งอุทจักกุกกุจะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทจักกุกกุจที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทจักกุกกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 วิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยด้วยเหตุดังพนานามาชะนีพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรมนธรมะภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะภายนอกบ้างเห็นธรรมะในธรรมะทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในธรรมะบ้างเห็นธรรมะคือความเสื่อมในธรรมะบ้าง เห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมะบ้างอยู่อันนี้อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้คือเพื่อให้ญาณะเนี่ยจเจริญขึ้นเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือธรรมะที่มีอยู่เพื่อให้สติเนี่ยจเจริญขึ้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลก ดูความพิสูจทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูจนชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือนิวรห้าอยู่เห็นไหมนี่ก็พูดถึงนิวรทั้ง5้าเนี่ยนะตามพุทธพจน์ในธรรมานุปัสสนาสติปทานนิวรบั พ, พะการพูดถึงนิวรเนี่ยนะก็คือการกล่าวถึงปหาตประธรรมธรรมที่ควรละทีนี้การที่จะเข้าไปละธรรมะที่ควรละนี้ จะต้องรอบรู้หประการอย่างที่ว่านะหาคำเนี่ยนะจำไม่ยากนะหําคำคำแรกก็คือมีอยู่คำที่สองไม่มีคำที่สา ม, ม 3, จะเกิดข้อสจะละข้อห้าละได้แล้วเหนาะคำท่านั้นเองนะคูณกันนี่วอนหะ้าน เมื่อมีอยู่ก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีส่วนใหญ่ข้อปฏิบัติในการกําหนดรู้เขาจะเอาแต่เฉพาะพยัญชนะข้อบรรทัดแรกอย่างเดียวเนี่ยนะบรรทัดที่สองสามสี่ห้าไม่ค่อยเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาโลภะเกิดก็รู้จักโลภะที่เกิดขึ้นเขาจะพูดอยู่เท่านั้นจริงๆถ้าโลภะไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นนั่นอีกเะะนี่ยนะก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปพิจารณาในสิ่งที่ ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปค้นคว้าหาโลภะที่มันไม่เกิดเนี่ยนะก็มีการปฏิบัติแบบนั้นมีอยู่เนี่ยนะซึ่งก็แสดงว่าไม่ได้ดูให้จบประโยคเลยเนี่ยนะนนะเอามาแต่บรรทัดเดียวเท่านั้นเองดูข้อความในอัตกถาก่อนนะหน้าสิบสอง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยอาการ16อย่างที่พันธานามาแล้วเนี่ยนะสบอย่างก็คือจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะนั่นแหละบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงธรรมานุปัสสนาโดยอาการห้าอย่างเนี่ยนะห้าอย่างก็มีประหาตประธรรมเป็นต้นเนี่ยนะนิวรก็เป็น ปหาตประธรรมขันอายตนะก็เป็นปริญญาธรรมโภอชงก็เป็นภาเวตประธรรมส่วนอริยศาส์นั้นได้ทั้งสี่ประการเลยคือปริญญาธรมรมปหาตประธรรมสจิกาตประธรรมภาเวตประธรรมด้วยนั่นเอง พระองค์ก็เลยตรัสว่ากระฐานจะพิเคเวดูก่อรพิสุทั้งหลายพิสุพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอย่างไรเล่าดังนี้เป็นต้ น, น, นนะก็เรียกว่าเป็นการเชื่อมเนื้อหาเนี่ยนะจากบับผ้าหนึ่งไปอีกบับผ้าหนึ่งพระองค์เชื่อมด้วยศัพท์ว่ากระฐานจะพิเคเวเนี่ย น, นะที่ไทยเราอาจจะใช้คําว่าต่อไปอีกนะเพิ่มอีกอะไรเนี่ยนะเป็นคําเชื่อมเฉยๆให้เห็นชัดว่าตอนนี้เป็นการต่อกันแล้วนะจากอีก จิตตานุปัสนาขึ้นมาเป็นธรรมานุปนะัสนาณัพท์เหล่านี้เป็นตัวเชื่อมกันเนี่ยนะนะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกําหนดรูปกรรมฐานล้วนๆด้วยกายานุปัสนาเนี่ยนะนะดีกาเพิ่มว่าสมถะปุพพังขมาเทสิตาเนี่ยนะนะเป็นการแสดงหรือการพิจารณากายแบบมีสมถะนาหน้านะนะ ตรัสการกําหนดอรูปประคันเนี่ยนะหรืออรูประกรรมฐานล้วนๆด้วยเวทนานุปัสนาและจิตตานุปัสนาเนี่ยนะใช้คําว่าล้วนๆเลยนะบัดนี้เพื่อจะตรัสการกําหนดรูปกรรมฐานกับอรูปกรรมฐานรวมกันด้วยธรรมานุปัสนาเนี่ยจึงตรัสว่ากระทันจะทิเคเวเนี่ยนะซึ่งก็เป็นการเชื่อมอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะนัยยะแรกเนี่ยนะเอ่อนะ คำว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นอีกในหนึ่งนะข้างล่างอี ก, กอีกอย่างหนึ่งก็อีกในหนึ่งละท่ากบ ว, ว่าไอการเชื่อมต่อกนันนี้อัตถกถาอธิบายไว้สามประเด็นนะประเด็นแรกเพื่อจะแยกว่านี้นิวรนเป็นปหาตัปรธรรมนะขันอายตนะเป็นปริญญายาธรรมพ่ชงเป็นพาเวตัปรธรรมอริยสัจเนี่ยนะเป็นทั้งปริญญายาธรรมเป็นต้นหมดเลย ส่วนในที่สองเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็บอกว่าก<น>านะยานุปัสสนาเป็นรูปกรรมฐานนะเวทนานุปัสสนากับจิตานุปัสสนาเป็นอรูปกรรมฐานส่วนธรรมานุปัสสนาเป็นทั้งรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานเนี่ยนะก็แบ่งว่ากรรมฐานไหนเน้นการพิจารณารูปกรรมฐานไหนเ น, น้นการพิจารณานามกรรมฐานไหนพิจารณาทั้งรูปและและนามเนี่ยนะ กายานุปัสสนาก็ไม่ค่อยซับซ้อนนักเพราะว่าเน้นแต่รูปอย่างเดียวเวทนาก็เน้นแต่เวทนาจิตก็เน้นจิตพอมาทำมานุปัสสนาเนี่ยนะเน้นทั้งรูปทั้งนามที่ที่สัมพันธ์กันอีกนัยยะที่สมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกําหนดรูปประคันด้วยกายานุปัสสนาตรัสการกําหนดเวทนาขันด้วยเวทนานุปัสสนา ตราการกําหนดวิญญาณขันด้วยจิตตานุปัสนานี่นนะก็ได้สขันนะ่ะนะสาอนุปัสนาก็เท่ากับสขันแล้วบทนี้เพื่อจะตรัสแม้การกําหนดสัญญาขันและสังขารขันด้วยธรรมานุปัสนานี่นนะคำว่าแม้ตัวนั้นเนี่ยนะมาจากบาลีว่าปิสัพบเพื่อจะตรัสแม้การกําหนดสัญญาขันและสังขารขันนะ่นนะแม้ตัวนั้นท่านบอกว่า ปิสเทนะสกาปัจจุปธานขันทะปริคหังเนี่ยนะที่จริงอะ่ะท่านยกมาสัญญาขันกับสังขารขันจริงๆแล้วอ่ะนะในธรรมานุปัสสนาขันทั้ง5้านั่นแหละว่างั้นไม่ได้แค่เน้นเฉพาะสัญญากับสังขารรอกเอาขันทั้ง5้าสกาปัจจุปาทานขันทะเนี่ยนะก็คือเอาขันทั้ง5ทั้งหมดนั่นแหละว่างั้น เพราการเชื่อมตรงนี้ทําให้เห็น3ประการนะนะสอย่างพอสรุปได้นะในยะแรกเพื่อแยกแยะว่าอะไรเป็นปัญหาตปธรรมปริญญาธรรมเป็นต้นในที่2เพื่อแสดงรูปกรรมฐานอรูปกรรมฐานในที่สเพื่อจะแยกแยะโดยการพิจารณาขันเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็น3ามในยะนะตรงนี้อธิบายเฉพาะที่เชื่อมกันเท่านั้นเองนี่ยนะ ทีนี้ถ้าจะขยายนิวร์ไปเลยเนี่ยนะว่าคําว่านิวร์ก่อนนะนิวร์นี่หมายคําว่าเครื่องกลางกั้นนะกลางกั้นอะไรกลางกั้นไม่ให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะนิวร์นี่แปลว่ากลางกั้นกลางกั้นไม่ให้กุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้